กดสรรเสริญโพ ธ, ธิจิตขอนอบน้อมแด่องค์พระวัชระสัตวาผู้ประเสริฐได้ถูกกล่าวไว้ว่าสัพสัตนั้นล้วนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่แท้จริงนั่นย่อมปฏิเสธทั้งความเป็นสิ่งถูกรู้และสิ่งรู้รวมทั้งขันห้าธาตุสี่และอายตนะ เนื่องเพราะความเป็นหนึ่งเดียวของความไม่มีตัวตนของธรรมทั้งหลายจิตจึงเป็นสิ่งที่ไร้การเกิดอยู่แล้วแต่เดิมนั่นคือธรรมชาติแห่งความว่างเปล่าเชกเช่นพระพุทธองค์และเหล่ามหาโพธิสัตว์ทั้งหลายได้ก่อกำเนิดโพธิจิตอันยิ่งใหญ่ตัวข้าพระเจ้าเองก็เช่นเดียวกันนับแต่นี้ต่อไป จวบจนข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงหัวใจแห่งความตื่นรู้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจะพยายามก่อกำเนิดโพธิจิตเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่ปลอดภยัยให้ปลอดภยัยช่วยผู้ที่ยังไม่เป็นอิสระให้เป็นอิสระปลดปล่อยผู้ที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยและช่วยให้ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์ได้พ้นจากทุกข์พระโพธิสัตว์ใด ที่ปฏิบัติในทางมนตราศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่ได้ก่อกำเนิดโพธิจิตโดยายะแห่งสมมุติในรูปแบบของการปฏิญาณตนแล้วจําต้องเสริมสร้างโพธิจิตด้วยพลังแห่งการปฏิบัติภาวนาอีกซึ่งข้าพเจ้าจะขออธิบายธรรมชาติของมันดังนี้ข้าขอนอบน้อมบูชาแด่องค์ผู้ถือคถาวัชระผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เปี่ยมด้วยโพธิจิตข้าพระเจ้าจะขออธิบายไว้ณที่นี้ถึงแนวการปฏิบัติภาวนาในเรื่องโพธิจิตอันจะช่วยขจัดเสียซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิงองค์พุทธะทั้งหลายต่างดำรงรักษาไว้ซึ่งโพธิจิตไม่ให้หม่นมองไปด้วยความเห็นผิดเช่นการเห็นว่ามีตัวตนหรือขันห้า และอื่นๆซึ่งทั้งหมดล้วนว่างเปล่ามันคือจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาซึ่งท่านต้องเพาะบ่มโพธิจิตด้วยความภาคเพียรองค์พุทธะผู้เปี่ยมด้วยพระมหาเมตตาการุณาจะมั่นคงในการพัฒนาโพธิจิตนี้อยู่เสมอตัวตนถูกสร้างขึ้นโดยผู้หลงในความสุดโต่งทั้งสอง เมื่อท่านวิเคราะห์รูปนามขันห้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยเหตุและผลไม่มีที่ใดเลยที่ท่านจะสามารถพบมันได้ขันทั้งปวงปรากฏอยู่แต่ไม่เที่ยงแท้ถาวรมันไม่มีธรรมชาติแท้ของตัวมันเองสิ่งที่เที่ยงแท้และสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ย่อมไม่สามารถมีอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่คำจุน และสิ่งที่ถูกคำจุนหากความเป็นตัวตนไม่ได้มีอยู่แล้วสิ่งต่างๆนั้นจะเที่ยงแท้ถาวรได้อย่างไรหากมีสิ่งเหล่านั้นอยู่จริงเช่นนั้นแล้วเราย่อมสามารถสืบพบคุณลักษณะของพวกมันบนโลกนี้ได้เนื่องเพราะสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หรือฉับพลันก็ตามดังนั้นไม่ว่าทั้งภายนอกและภายในสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรดังกล่าวจึงไม่ได้มีอยู่จริงหากมันมีพลังของมันเองเหตุใดจึงต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นเพราะมันย่อมจะทำให้เกิดทุกสิ่งได้ด้วยตัวมันเองสิ่งซึ่งต้องอิงอาศัยสิ่งอื่น ย่อมไม่มีสิ่งที่เป็นนิรันด์หรือมีพลังของมันเองหากมันเป็นสิ่งที่มีอยู่มันย่อมไม่เที่ยงแท้ถาวรเพราะสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายล้วนมีอยู่แล้วชั่วขณะเท่านั้นแต่ในประเด็นของสิ่งที่มีอยู่อย่างไม่เที่ยงแท้ถาวรการทำหน้าที่ของมันก็ไม่อาจถูกปฏิเสธได้โดยแท้จริงแล้ว สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนปราศจากตัวตนแต่มันถูกครอบงำด้วยความคิดปรุงแต่งในเรื่องธาตุขันและอายตนะและความเป็นสิ่งถูกรู้และสิ่งที่ไปรับรู้ผู้ปรารถนาจะช่วยเหลือสรรพสัตว์จึงต่างสั่งสอนสาวกทั้งหลายในเรื่องขันทั้ง5าอันประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณพระผู้ประเสริฐที่สุดในบรรดาสัตว์สองเท้าได้ทรงสั่งสอนไว้ว่ารูปปรากฏขึ้นเหมือนกับกลุ่มก้อนของฟองเวทนาคล้ายคลึงกับฟองอากาศในน้ําและสัญญาก็เป็นเหมือนดังเช่นพยับแดดสังขารเป็นดั่งลำต้นของกล้วยวิญญาณเป็นดั่งภาพมายา พระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างได้ทรงสั่งสอนเหล่าพระโพธิสัตว์เกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้าไว้ในทํานองนี้ซึ่งสิ่งประกอบด้วยธาตุพื้นฐานทั้งสี่ได้ถูกแสดงไว้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นรู ป, ปรขันธ์ส่วนสิ่งอื่นได้ถูกบัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปด้วยตาและรูปและคู่อื่นๆในทํานองเดียวกันซึ่งถูกอธิบายไว้ว่า ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ซึ่งรู้จากในนามอายตนะภายนอกและภายในยทั้งสิบสองรวมถึงเป็นสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่รับรู้มันไม่ได้มีแม้เพียงอนูเล็กๆในรูปหรือในอวัยวะแห่งการรับรู้สัมผัสที่มีอยู่จริงยิ่งไปกว่านั้นโดยความจริงแท้ มันไม่ได้มีแม้กระทั่งอวัยวะรับรู้สัมผัสนั้นด้วยดังนั้นทั้งผู้กระทำและสิ่งที่ถูกกระทาจึงไม่สามารถเกื้อให้เกิดการกระทำได้โดยสิ้นเชิงอนูของรูป ก, ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกสัมผัสขึ้นเพราะมันต่างอยู่นอกขอบเขตของการสัมผัสนั้นและหากจะยืนยันว่า สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านการปรุงแต่งการเกิดขึ้นจริงโดยอาศัยการประชุมร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เช่นกันด้วยการแบ่งแยกอนุนั้นออกเป็นส่วนย่อยตามทิศทั้งแจะเห็นว่าแม้แต่อนูเองก็ยังประกอบไปด้วยส่วนย่อยที่มายึดเหนี่ยวกันและหากวิเคราะห์กันในแง่ของการประกอบกัน ด้วยส่วนย่อยแล้วมันจะมีอนุที่แท้จริงไปได้อย่างไรเมื่อพิจารณาวัตถุภายนอกชิ้นหนึ่งความเห็นที่แตกต่างกันย่อมเกิดขึ้นรูปที่สวยงามในสายตาคนหนึ่งอาจเป็นอย่างอื่นไปในสายตาของคนอื่นเมื่อเห็นร่างกายของหญิงสาวคนเดียวกันด้วยผู้เห็นที่แตกต่าง ความเห็นสามอย่างที่แตกต่างกันย่อมเกิดขึ้นเช่นเมื่อเห็นโดยนักพรตเมื่อเห็นด้วยผู้มากราคะตัณหาและเมื่อเห็นโดยหมาป่าย่อมเห็นเป็นว่าซากศพรูปอันน่าใคร่หรืออาหารฝ่ายโต้แย้งแต่วัตถุที่กระตุ้นนั้นก็ทำหน้าที่กระตุ้นเหมือนกัน นั่นมันจะไม่เหมือนกับการถูกทำร้ายในความฝันหรอกหรือเพราะระหว่างตอนฝันและตอนตื่นอยู่มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันในหน้าที่ของสิ่งต่างๆในเรื่องสิ่งที่ถูกรู้และเครื่องรับรู้ไม่ว่าการรับรู้อะไรก็ตามมันย่อมไม่มีสิ่งถูกรู้อื่นอยู่ภายนอกการรับรู้นั้นดังนั้นจึงไม่มีวัตถุภายนอกใดๆ ที่มีอยู่อย่างแท้จริงการรับรู้ในสิ่งต่างๆรูปเสียงกลิ่นและอื่นๆเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการเดียวกับการปรากฏขึ้นของรูปเหมือนกับบุคคลผู้หลงย่อมเห็นมายากลหรือพยับแดกหรือเมืองสวรรค์เช่นเดียวกับการเห็นรูปและสิ่งอื่นเพื่อให้พ้นไปจากการยึดมั่นในความเป็นตัวตน พระพุทธองค์ได้ทรงสอนถึงเรื่องขันธ์ธาตุและอื่นๆแค่เพียงได้ฟังคําสอนเท่านั้นก็นับว่าเป็นผู้โชคดีแม้ว่าเขาจะยังไม่ยอมรับมันก็ตามสําหรับผู้ที่เชื่อถือในเรื่องของจิตนิยมโลกอันมีความหลากหลายนี้ถูกสร้างขึ้นจากจิตเท่านั้นแล้วอะไรเล่าที่เป็นธรรมชาติของจิต ข้าพระเจ้าจะขออภิปรายเรื่องนี้ในเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนคือจิตนี่คือสิ่งที่ถูกกล่าวโดยพระผู้รู้เพื่อบรรเทาความหวาดหวั่นของเด็กๆซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแท้อันสูงสุดแต่อย่างใดสิ่งที่ถูกให้ค่าสิ่งที่อิงอาศัยสิ่งอื่นและสิ่งที่สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีธรรมชาติเดียวกันหมดคือความว่างลักษณะต่างๆของมันล้วนถูกสร้างขึ้นโดยจิตสำหรับผู้ที่ยินดีในทางมหายานพระพุทธองค์ได้ทรงสอนโดยสรุปให้วางใจเป็นกลางอยู่บนความว่างเปล่าจากตัวตนอันเป็นจิตที่ไร้การเกิดส่วนผู้ที่สนับสนุนในการปฏิบัติแบบโยคีย ก็จะยืนยันว่าจิต ท, ที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากการควบคุมของตนและการพัฒนาสภาวะของจิตให้สมบูรณ์จะเป็นรากฐานแห่งการเตื่นรู้ของตัวจิตเองสิ่งซึ่งเป็นอดีตก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปสิ่งซึ่งยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่อาจปรากฏได้และเมื่อมันปรากฏตำแหน่งของมันก็แปรเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง ดังนี้แล้วจะมีการรู้สํานึกจิตเช่นนั้นในปัจจุบันได้อย่างไรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่ใช่อย่างที่มันปรากฏและไม่ว่ามันจะปรากฏเช่นไรก็ตามก็ไม่ใช่อย่างที่มันเป็นจิตความรู้สํานึกได้นั้นปราศจากความเป็นตัวตนและความรู้สํานึกได้นั้น ก็ไม่มีพื้นฐานอื่นใดอีกด้วยการอยู่ใกล้กับแม่เหล็กวัตถุที่เป็นเหล็กย่อมจะเคลื่อนเข้าหาแม่เหล็กนั้นซึ่งมันไม่ได้มีจิตของมันเองแต่มันก็ปรากฏราวกับว่ามีในทำนองเดียวกับความรู้สำนึกพื้นฐานซึ่งปรากฏเสมือนว่ามีอยู่จริงถึงแม้จะไม่ใช่เช่นนั้นซึ่งมันเคลื่อนไปมา และดูราวกับว่ามันดำรงอยู่เหมือนกับมหาสมุทรและต้นไม้มันเคลื่อนที่อยู่เสมอถึงแม้ว่าจะไม่มีจิตทํานองเดียวกับความรู้สานึกพื้นฐานที่เคลื่อนที่ไปมาโดยขึ้นอยู่กับกายนี้ดังนั้นหากถือว่าเมื่อปราศจากร่างกายก็ไม่มีความรู้สานึกได้เธอต้องอธิบาย การที่สำนึกรู้ได้นั้นคืออะไรกันแน่นั่นเป็นสิ่งที่จะถูกรู้ได้โดยความรู้สึกจำเพาะของบุคคลด้วยการเรียกมันว่าความรู้สำนึกได้ในตัวมันเองเธอกำลังยืนยันว่ามันมีอยู่จริงแต่ด้วยการกล่าวว่ามันคือสิ่งนี้นั่นเธอก็กำลังยืนยันว่ามันไรซึ่งพลังใดๆด้วย การทำให้ตนเองชัดแจ้งและการช่วยให้ผู้อื่นชัดแจ้งผู้เรียนรู้ย่อมต้องกระทำการอย่างดีเลิศโดยปราศจากข้อผิดพลาดอยู่เสมอสิ่งที่รับรู้รับรู้สิ่งที่สามารถถูกรู้ได้หากปราศจากสิ่งที่สามารถถูกรู้ได้ก็ย่อมไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นดังนั้นแล้วทำไมท่านจึงไม่ยอมรับว่า ไม่มีทั้งสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่รับรู้ดำรงอยู่จริงจิตเป็นเพียงแค่ชื่อหากแยกเอาชื่อออกไปมันก็ไม่เป็นอะไรเลยจงมองให้เห็นว่าความรู้สํานึกได้ก็เป็นเพียงแค่ชื่อเท่านั้นส่วนชื่อเองก็ไม่มีธรรมชาติของตัวมันเองไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในหรือในระหว่าง พระพุทธองค์เองก็ล้วนไม่เคยพบตัวจิตจิตจึงมีธรรมชาติที่เป็นเพียงมายามันอาจดูแตกต่างระหว่างสีสันและรูปร่างหรือระหว่างสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งรับรู้ระหว่างเพศชายเพศหญิงและพวกไรเพศแต่จิตไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเช่นนั้นโดยย่อแล้วองค์พุทธทั้งหลายล้วนไม่เคยเห็น และไม่อาจจะได้เห็นจิตดังนี้แล้วท่านเหล่านั้นจะเห็นว่าจิตมีธรรมชาติแท้จริงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งซึ่งปราศจากธรรมชาติแท้จริงไม่ใช่หรือเมื่อมีอยู่คือความคิดปรุงแต่งหากปราศจากความคิดปรุงแต่งก็คือความว่างในที่ซึ่งความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นจะว่างเปล่าได้อย่างไรกัน จิตในฐานะของสิ่งที่ถูกรับรู้และผู้รับรู้นี่เป็นสิ่งที่พระตถาคตไม่เคยเห็นในที่ซึ่งยังมีสิ่งที่ถูกรับรู้และผู้รับรู้ที่นั้นย่อมไม่มีการรู้แจ้งหลุดพ้นปราศจากลักษณะและต้นกําเนิดปราศจากแก่นสารอันแท้จริงและอยู่นอกเหนือคำพูดใดๆว่างเปล่า จิตที่ตื่นรู้และความรู้แจ้งนี่ล้วนเป็นลักษณะที่พ้นไปจากธรรมคู่ผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยความรู้แจ้งดังเช่นองค์พุทธะและชีวิตที่ประเสริฐทั้งหลายและเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกพระองค์ต่างแจ้งชัดว่าความว่างก็คล้ายดังเช่นอวกาศดังนั้นจงภาวนาในเรื่องความว่างนี้อยู่เสมอเถิด อันเป็นพื้นฐานของปรากฏการ์ทั้งปวงสงบเงียบและเป็นดั่งเช่นมายาไร้มูลเหตุและเป็นสิ่งที่จะทำลายสังสารวัตรเธอจงภาวนาในเรื่องสุญญยตาโดยความหมายแห่งการปราศจากต้นกำเนิดความว่างเปล่าหรือความไร้ซึ่งตัวตนผู้ที่ภาวนาในสัจธรรมที่น้อยไปกว่านี้ นั่นอย่างไม่ใช่การภาวนาที่แท้จริงความคิดในเรื่องกุศลและอกุศลจะมีลักษณะเป็นสิ่งชั่วกาและเทศะหนึ่งหนึ่งและแปลเปลี่ยนสลายไปได้พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงความว่างของมันซึ่งนอกเหนือไปจากสิ่งนี้ก็ไม่มีความว่างอื่นใดอีกการดำรงอยู่ของจิตที่ไม่มีสิ่งถูกรู้ ถูกอธิบายว่าเป็นลักษณะของความว่างเปล่าดังนั้นท่านจึงยอมรับว่าการภาวนาในเรื่องสุญญาตาแท้จริงแล้วก็คือการภาวนาในเรื่องความว่างด้วยบรลลืสีหนาศแห่งสุญญาตาทําให้ความเห็นอื่นทั้งปวงวาดวันที่ใดก็ตามที่ผู้ส่งเสียงเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่นั่น ความว่างก็สถิตคอยอยู่เช่นกันสําหรับผู้ที่เห็นว่าความรู้สํานึกได้ของจิตนั้นเป็นสิ่งชั่วขณะสําหรับเขามันย่อมไม่อาจเป็นสิ่งที่คงทนถาวรดังนั้นถ้าจิตคือสิ่งที่ไม่คงทนถาวรแล้วมันจะขัดแย้งกับสุญญาตาได้อย่างไรโดยสรุปหากพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างยืนยันว่า จิตนั้นไม่เที่ยงแท้ทำไมท่านจะไม่ทรงยืนยันว่าจิตคือความว่างด้วยเล่าจากจุดเริ่มต้นดั้งเดิมจิตไม่เคยมีธรรมชาติที่แท้จริงภายในของมันเองเลยแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้กล่าวว่าสิ่งซึ่งมีแก่นแท้ที่แท้จริงจะขาดเสียซึ่งสิ่งนี้ขาดเสียซึ่งธรรมชาติอันแท้จริงภายใน หากใครอ้างว่าเขาได้ละวางความเป็นตัวตนที่อยู่ในจิตนั่นมันไม่ใช่ธรรมชาติของสรรพสิ่งที่จะอยู่นอกเหนือธรรมชาติที่แท้ของตัวมันเองเชกเช่นความหวานเป็นธรรมชาติของน้ำตาลและความร้อนเป็นธรรมชาติของไฟในทานองเดียวกันเรากล่าวว่าธรรมชาติที่แท้ของปรากฏการณ์ทั้งปวงก็คือความว่าง เมื่อบุคคลผู้พูดถึงความว่างว่าเป็นธรรมชาติของปรากฏการณ์นั่นมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะสนับสนุนเรื่องความดับศูนย์และในทำนองเดียวกันเขาก็จะไม่สนับสนุนในเรื่องความมีตัวตนอันถาวรด้วยเช่นกันเริ่มต้นด้วยอวิชชาและจบลงด้วยความชารากระบวนการทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากอาการทั้งสอง ของการอิงอาศัยกันของเหตุปัจจัยปฏิจจสมุปบาทซึ่งเรายอมรับว่าพวกมันเป็นดังเช่นความฝันและภาพมายาวงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทนี้ได้หมุนไปตามเส้นทางแห่งสังสารวัตรภายนอกสิ่งนี้แล้วมันย่อมไม่สามารถมีสรรพสัตว์ที่จะเสวยกรรมวิบากแห่งการกระทําของตนเช่นเดียวกับ เพราะขึ้นอยู่กับกระจกภาพใบหน้าบุคคลจึงปรากฏทั้งทั้งที่ใบหน้านั้นก็มิได้เคลื่อนเข้าไปอยู่ในกระจกแต่หากปราศจากกระจกก็ไม่อาจปรากฏภาพบนใบหน้าการที่ขันก่อตัวขึ้นมาใหม่ก็เป็นทํานองเดียวกันแต่คนฉลาดย่อมเข้าใจอยู่เสมอว่ามันไม่มีความเป็นใครเกิดในขันนั้น และไม่ได้มีความเป็นใครที่ย้ายไปยังขันอื่นกล่าวโดยสรุปปรากฏการอันว่างเปล่าล้วนเกิดขึ้นจากปรากฏการอันว่างเปล่าผู้กระทำกรรมกรรมและผลแห่งกรรมและผู้รับผลกรรมพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเช่นเดียวกับเสียงจากกลองและอื่นๆ ล้วนเกิดจากการถึงพร้อมกันของเหตุปัจจัยเราจึงยอมรับว่าโลกภายนอกนั้นล้วนปรากฏขึ้นจากเหตุและปัจจัยมันจึงเป็นดั่งเช่นความฝันและภาพมายาที่ว่าปรากฏการล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยนั้นย่อมไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริงเนื่องเพราะเหตุปัจจัยนั้นก็ว่างเปล่าจากความเป็นเหตุปัจจัย มันจึงเป็นที่แจ้งชัดว่าแหล่งกําเนิดของมันก็ล้วนว่างเปล่าการไร้ซึ่งแหล่งกําเนิดของปรากฏการ์ทั้งปวงถูกสอนไว้อย่างชัดเจนว่าคือความว่างว่าโดยย่อขันทั้งห้าก็คือปรากฏการ์ทั้งปวงเมื่อความจริงแท้ารมัดถูกอธิบายตามที่มันเป็นจริงความจริงโดยสมมุติ ก็ไม่ได้ถูกขวางกัน้นหากไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติก็ไม่อาจค้นพบความจริงแท้ได้เลยสมมุติทั้งหลายถูกสอนว่าคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าโดยตัวมันเองแล้วก็คือสมมุติสิ่งหนึ่งม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและความไม่เที่ยงแท้ สมมุติเกิดขึ้นจากกิเลสและกรรมและกรรมก็เกิดขึ้นจากจิตจิตนั้นสั่งสมไปด้วยความเคยชินเมื่อเป็นอิสระจากความเคยชินมันก็คือความสุขจิตที่มีความสุขคือจิตที่สงบอย่างแท้จริงจิตที่สงบยอบไม่วุ่นวายสับสนเพื่อจะไม่วุ่นวายสับสนก็ต้องเข้าใจความเป็นจริง เมื่อเข้าใจความเป็นจริงผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความอิสระมันถูกกล่าวขานว่าคือความเป็นเช่นนั้นเองคือขอบเขตแห่งความจริงคือการไร้ซึ่งคุณค่าความหมายใดๆคือความจริงอันยิ่งคือโพธิจิตอันประเสริฐและถูกกล่าวขานอีกเช่นกันว่าคือสุญญาตาสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความว่าง ย่อมไม่ใช่ยานที่เหมาะสมสำหรับการปลดปล่อยสัตว์ผู้หลงเหล่านั้นย่อมจะเวียนว่ายอยู่ในคุกแห่งสังสารวัตอันประกอบด้วยภพภูมิทั้งหเมื่อโยคีปฏิบัติภาวนาในเรื่องความว่างเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขย่อมจะเกิดขึ้นในพวกเขาเหล่านั้นเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เคยเสียสละประโยชน์ให้แก่ข้าพเจ้าในอดีตเช่นผู้ที่เคยเป็นบิดามารดาของข้าพเจ้าหรือญาติมิตรข้าพเจ้าจะพยายามอย่างยิ่งเพื่อตอบแทนบุญคุณของพวกเขาเหล่านั้นสำหรับสัพพสัตทั้งหลายที่ถูกเผาให้ไหมเกรียมด้วยไฟแห่งความทุกข์ยากในคุกแห่งสังสารวัตหากข้าพเจ้าเคยทาให้พวกเขาต้องทุกข์ยากในอดีต สมควรแล้วที่วันนี้ข้าพเจ้าจะมอบความสุขให้แก่พวกเขาผลกรรมทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาในรูปแบบของการเกิดมาในโลกอย่างสุขสบายหรือเข็นใจผลกรรมเหล่านั้นย่อมขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือการเบียดเบียนสรรพสัตว์หากเนื่องเพราะขึ้นอยู่กับสรรพสัตว์จึงนำมาซึ่งพุทธภาวะ ดังนั้นจะมีอะไรที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับความจริงที่ว่าไม่ว่าความมั่งคั่งรุ่งเรืองใดๆก็ตามที่มีอยู่ในบรรดาเหล่าเทพทเท ว, วดาและมนุษย์และผู้ที่ได้รับพรจากพระพรมพระอินทร์หรือองค์เทพผู้พิทักษโลกทั้งหลายมันไม่มีความมั่งคั่งรุ่งเรืองใดๆเลยในโลกทั้งสามนี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตและความทุกข์อลากหลายซึ่งสรรพสัตว์ประสบอยู่สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นความหิวกระหายและการทำร้ายซึ่งกันและกันและความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานซึ่งยากยิ่งนักที่เฉลีกเลี่ยงและไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือผลกรรมของการเบียดเบียนผู้อื่นพุทธภาวะโพ ธ, ธิจิตการเกิดมาอย่างสุขสบายและการเกิดมาอย่างทุกข์ยากเข็นใจจงรู้ไว้เถิดว่าผลกรรมของสรรพสัตว์นั้นมีอยู่สองด้านการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเหตุปัจจัยที่มีทั้งหมดการปกป้องผู้อื่นเสมือนท่านปกป้องร่างกายของตน การไม่ยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตว์ทั้งหลายจงหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้หากเธอปรารถนาพิษภัยเพราะรู้จักปล่อยวางบรรดาสาวกจึงบรรลุถึงการตื่นรู้ในเบื้องต้นเพราะการไม่เคยทอดทิ้งสรรพสัตว์องค์พุทธะทั้งหลายจึงได้บรรลุถึงการตื่นรู้อย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อบุคคลหนึ่ง แจ้งชัดในการเกิดขึ้นของผลของการกระทําที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เขาจะคงยึดติดแต่ในความสุขของตนเองแม้เพียงชั่วขณะสั้นๆได้อย่างไรกันรากอย่างลงอย่างมั่นคงเพราะความเมตตาการุณาเกิดขึ้นจากการงอกงามของโพธิจิตการตื่นรู้ที่แท้จริงอันเป็นผลของการเสียสละเพื่อผู้อื่น นี่คือสิ่งที่พระบุตรแห่งพระตถาคตเจ้าเฝ้าพาะปลูกด้วยการภาคเพียนฝึกปฏิบัติมันจะมั่นคงแล้วถูกกระตุ้นโดยความทุกข์ยากของผู้อื่นพระโพธิสัตว์จึงละทิ้งความปิติสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วยอมลงเผชิญกับไฟนรกที่ไม่เคยปราณีนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์และน่าสันเสริญยิ่งนัก นี่คือหนทางอันประเสริฐของผู้ที่เป็นเลิศท่านที่สละได้แม้กระทั่งเลือดเนื้อและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตนนั่นไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยบุคคลผู้เข้าใจความว่างของปรากฏการณ์แต่ยังสอดคล้องได้ดีกับกฎแห่งกรรมและผลของมันนี่เป็นความมหัศจรรย์เสียยิ่งกว่ามหัศจรรย์ และเป็นเลอเสียยิ่งกว่าความเป็นเลอใดๆบุคคลผู้ปรารถนาจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเกิดมาใหม่ในปรักตมแห่งสังสารวัตรพวกเขาก็จะไม่แปดเปื้อนจากปรากฏการณ์ของมันดุดกงเช่นดอกบัวที่เกิดจากโคลนตมแม้ว่าพระโพธิสัตว์เช่นองค์พระสมันตาพาดรา ได้ส่งแผดเผาไม้แห่งกิเลสตัณหาด้วยไฟปัญญาแห่งสุญญาตาอันร้อนแรงแต่มันก็ยังคงชุ่มฉ่ำอยู่ด้วยความเมตตาบุคคลผู้อยู่ภายใต้พลังแห่งความเมตตายอมเล่นได้ทุกบทบาททั้งการตายการเกิดและความรื่นเริงการละทิ้งอาณาจักรการดำรงตนอยู่อย่างนักพรตการตื่นรู้อย่างสมบูรณ และการเอาชนะหมู่มารหมุนกงล้อแห่งธรรมเข้าสู่อาณาจักรของเทพทั้งหลายและยังดำรงอยู่อย่างอิสระจากความเศร้าโศกเสียใจทั้งปวงภายใต้รูปลักษณ์ของพรมอินและวิษณุหรือในรูปลักษณ์ของท่านรูดราที่ดุดันพวกเขาแสดงการร่ายรำแห่งความเมตตากรุณา ด้วยการกระทาที่นำความสุขสันติมาสู่ชีวิตทั้งหลายสำหรับท่านที่เหนื่อยล้าในเส้นทางแห่งการเกิดในช่วงพักผ่อนของพวกท่านเหล่านั้นปัญญาทั้งสองที่นำไปสู่มหายานได้ถูกสอนสั่งแต่กระนั้นมันก็มีใช่เพื่อการหนีเข้าสู่วิมุตตราบที่ยังไม่ได้ถูกเขี่ยวเข็นโดยพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบนั้นเหล่าสาวกจะยังคงอยู่ในรูปกายแห่งปัญญาที่หลงจมอยู่ในความสุขอันเป็นพิษแห่งชาญเมื่อได้รับการกระตุ้นในหลากหลายรูปแบบพวกเขาก็จะกลับกลายเป็นผู้ใส่ใจในความสุขของผู้อื่นและหากพวกเขาสร้างสมบุญบารมีและปัญญาได้เพียงพอพวกเขาก็จะสามารถบรรลุถึงการเตือนรู้แห่งพุทธะอย่างเต็มที่ เนื่องเพราะอนุัยความเคยชินทั้งสองยังมีอยู่ซึ่งเหมือนล้วนเป็นมเมล็ดพันธ์แห่งการเกิดเมื่อมเมล็ดพันธ์เหล่านี้มาพบกับปัจจัยที่เกื้อหนุนสังสารวัฏจึงงอกงามขึ้นมักควิธีได้ถูกแสดงไว้โดยพระตถาคตเจ้าตามภูมิจิตภูมิธรรมของสรรพสัตว์ซึ่งมีวิธีการอันหลากหลายแตกต่างกันไป ตามความหลากหลายของผู้รับฟังความแตกต่างนั้นมีทั้งแบบละเอียดอ่อนลึกซึ้งและแบบกว้างขวางในบางกรณีก็มีทั้งสองแบบถึงแม้ว่าคำสอนนั้นจะมีความหลากหลายอย่างไรทั้งหมดก็เหมือนกันคือมุ่งชี้ถึงความว่างเปล่าและการอิสระจากความเป็นคู่พลังทั้งหลายที่มีอยู่ และระดับขั้นต่างๆของโพธิสัตว์รวมถึงมหาบารมีแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ทรงสอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของโพธิจิตบุคคลผู้เติมเต็มความสุขของผู้อื่นไปตลอดเส้นทางนี้ทั้งโดยทางกายวาจาและใจผู้หมั่นพิจารณาและโต้ตอบกันด้วยเหตุผลในเรื่องสุญญาตา มันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นพวกลัทธิดับศูนย์มันไม่ใช่ทั้งในสังสารวัฏหรือในนิพพานที่พระผู้ประเสริฐจะดำรงอยู่ดังนั้นณจุดนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงสอนเรื่องนิพพานอันปราศจากการดำรงอยู่รสชาติดเดียวของความเมตตากรุณาคือบุญกุศล รถแห่งความว่างนั้นล้ำเลิศที่สุดผู้ดื่มมันเพื่อความแจ้งชัดในความสุขอันยิ่งของตนเองและผู้อื่นล้วนคือพระบุตรของพระพุทธองค์จึงน้อมกราบท่านเหล่านั้นด้วยกายและใจผู้คู่ควรต่อการสการะบูชาในโลกทั้งสามผู้ชี้นำทางของโลกผู้ดำรงอยู่ในฐานะตัวแทนของพระพุทธองค์ โพธิจิตนั้นถือได้ว่าเป็นความสูงสุดแห่งยานอันยิ่งใหญ่ด้วยความภาคเพียรอย่างแน่วแน่และมั่นคงจงเพาะบ่มโพธิจิตนี้เถิดเพื่อที่จะบรรลุ ถ, ถึงความสุขอันยิ่งของตนเองและผู้อื่นมันไม่มีวิธีการอื่นอีกแล้วในโลกนี้นอกเสียจากโพธิจิตเท่านั้นแม้ทุกวันนี้องค์พุท ธ, ธะทั้งหลาย ก็ไม่ได้มองเห็นวิธีการอื่นเลยบุญกุศลที่เกิดขึ้นเพียงแค่จากการก่อเกิดโพธิจิตหากจะเปรียบเป็นรูปธรรมแล้วมันย่อมยิ่งใหญ่เกินกว่าขอบเขตของจักรวาลบุคคลผู้ตั้งมั่นภาวนาอยู่บนโพธิจิตแม้เพียงชั่วขณะบุญกุศลที่เกิดขึ้นย่อมมากมายมหาศาล แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ไม่สามารถจะประมาณได้จิตอันประเสริฐที่ปราศจากสิ่งมโมหมองคืออัญมณีที่หายากและล้ำค่าที่สุดมันไม่สามารถถูกทำลายหรือถูกขโมยได้โดยมานแห่งกิเลสตัณหาทั้งปวงเชกเช่นความปรารถนาอันแรงกล้าของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มั่นคง ไม่สั่นคลอนบุคคลผู้ใส่ใจอย่างยิ่งในโพธิจิตย่อมต้องมั่นคงในความปรารถนาของตนเองเช่นนั้นถึงแม้จะมีความสงสัยลังเลเกิดขึ้นเธอก็ควรมานะบากบั่นดังที่กล่าวแล้วเธอจะแจ้งชัดในการกระทําอันยิ่งใหญ่ขององค์พระสมันตภพาดราด้วยตัวเธอเองด้วยการสันเริญโพธิจิต ซึ่งพระพุทธองค์ทรงยินดียิ่งนักด้วยบุญกุศลอันประมาณไม่ได้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการกระทำในวันนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกระแสะคลื่นของมหาสมุทรแห่งการเกิดจงดำเนินตามเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ท่งดำเนินแล้วนั้นเถิด